เรื่องนางอุตราอุบาสิกาหายิงอื่นปรนิบัติสามีพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันสวนไผ่กรุงราชครื้งทรงทำพัฒกิจในเรือนของนางอุตราแล้วทรงปรารพนางอุตราอุบาสิกาได้ยินว่าคนขัดสนคนหนึ่งชื่อว่าปุณณนะ รับจ้างเลี้ยงชีพในกรุงราชครื้เขามีภริยาและทิดาชื่อนางอุตราแม้ในวันเล่นนักสัตว์นายปุณณะก็ไม่อาจเล่นได้ต้องไปรับจ้างเป็นแต่อาหารเลี้ยงชีวิตวันนั้นเขาไปไถนาส่วนภริยาให้เตรียมอาหารในการนั้นพระสารีบุตรเถระออกนิโรธสมาบัตตรวจดูเห็นควรไปโปรดนายปุณณนะ มีศรัทธาจากทำการสงเคราะห์ได้เขาจะได้รับสมบัติใหญ่เพราะบุญ น, นั้นเป็นปัจจัยจึงถือบาทไปยังที่ไถนาของเขานายปุณณนะเห็นพระเทระแล้วจึงวางไถไหวพระเทระด้วยเบญจางคประดิษฐ์พลางคิดว่าพระเทระคงต้องการไม้สีฟันจึงทำไม้สีฟันถวายพระเทระได้นำบาดและผ้ากรองน้าออกมาให้เขา เขาคิดว่าพระเทระต้องการน้ําดื่มจึงกรองน้ําถวายพระเทระยืนรออยู่ณที่นั้นจนกระทั่งภริยาของเขานําอาหารมาแล้วภริยาของนายปุณณนะเดินทางมาพบพระเทระระหว่างทางคิดว่าบางคราวมีอาหารแต่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าบางคราวมีพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่มีอาหารวันนี้มีอาหารแล้ว และได้พบพระคุณเจ้าเราพึงถวายอาหารนี้แด่พระคุณเจ้านางน้อมเข้าไปถวายอาหารที่นำมาแด่พระเทระมิให้เหลือเศษเลยได้ใส่อาหารทั้งหมดลงในบาตรแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมะที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นเล่าเถิดพระเทระกล่าวว่าเอวังโหตุจงสำเร็จเถิด อนุโมทนาแล้วหลีกไปนั่งทำพัตตกิจในที่แห่งหนึ่งฝ่ายนางรีบกลับไปบ้านเพื่อหุงข้าวเพื่อสามีฝ่ายนายปุณณนะไถนาไปได้ประมาณห้าร้อยเมตรไม่อาจทนหิวได้จึงปล่อยโคแล้วนั่งพักรออยู่ใต้ร่มไม้ลำดับนั้นภริยาของเขาถืออาหารมาแล้วเกรงสามีจะโกรธแล้วไม่ได้บุญรีบชิงบอกสามีโดยไว้ว่า วันนี้ให้จงทำใจดีๆไว้สักวันนะฉันนำอาหารมาแต่เช้าวันเนี้ยได้พบพระคุณเจ้าในระหว่างทางจึงถวายพระคุณเจ้าไปลรวรีบไปหุงข้าวใหม่เพื่อท่านจึงมาช้าไปหน่อยขอจงร่วมอนุโมทนาบุญนะเขากล่าวว่าเจ้าทำดีแล้วแม้เราก็ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำดื่มแก่พระเทระด้วยเหมือนกันเขามีจิตเลื่อมใสในผลบุญนั้นแล้ว กินข้าวเช้าแล้วอ่อนเพลียม้อยหลับไปบนตักของภริยาของเขานั่นเองครั้งนั้นฐานของสองสามีภริยาอํานวยผลในวันนั้นทันทีดินท่ไทไวแต่เช้าได้เป็นทองคาทั้งหมดแม้กระทั่งฝุ่นละอองตั้งอยู่สวยงามดุจ ด, ดอกกันนิกาเขาตื่นขึ้นล่าเห็นแล้วจึงพูดกับภริยาว่าดินที่ไทไว้เป็นทองคาทั้งหมดจริงหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าชั้นตาลายไปกำมังเข้าลุกขึ้นไปในที่นั้นจับก้อนหนึ่งปีที่งอนไถรู้ว่าเป็นทองคำแม้ภริยาของเขาก็รับรองว่าเป็นเรื่องจริงแล้วบอกว่าทานที่เราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าแสดงผลวันนี้เองเราไม่อาจซ่อนซับมากมายอย่างนี้ได้จึงไปเฝ้าพระราชากราบทูลให้ทราบขนเอาทองคำถวายพระราชาด้วยเกวียนพันเล่ม ได้เป็นกองสูงประมาณ80ศอกพระราชาทรงแต่งตั้งนายปุณณะเป็นเศรษฐีของพระนครนี้ชื่อว่าปุณณะเศรษฐีเขาให้ช่างทำเรือนโดยสองถึงสามวันแล้วทำเคหะประเวณนมงคลพิธีมงคลเข้าสู่เรือนหรือบุญขึ้นบ้านใหม่และฉัตรระมงคลพิธีฉลองยศเศรษฐีเป็นงานเดียวกันได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันพระสัสดาทรงอนุโมทนาและทรงตรัสอนุปุปภิกถาในการจบเทศนาเขาและภริยาของเขาและนางอุตราผู้เป็นธิดาได้เป็นพระโสดาบันแล้วในการต่อมาธิดาของนายปุณณะเศรษฐีได้เป็นภริยาของบุตรของสุมนณะเศรษฐี เขายกทิดาให้ในดิถีเพนเดือนอาสาละหะบูชาแท้จริงนายปุณณนะไม่อยากจะยกทิดาให้ด้วยคิดว่าสุมาณเศถษีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบทำบุญให้ทานแต่ทิดาของตนมีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยแต่ขัดญาติมิตรคนรอบข้างไม่ได้จึงยกทิดาให้ไปจำเดิมแต่ไปสู่ตระกูลสามี นางมิได้ถวายทานหรือฟังธรรมเลยล่วงไปได้สองเดือนครึ่งนางจึงถามสาวใช้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าไรจะออกพรรษานางทราบว่าเหลืออีกครึ่งเดือนนางจึงส่งข่าวไปบอกมารดาบิดาคอทรัพย์ึ0 0 0มหากะหาปณะเพื่อเป็นค่าจ้างนางบำเรอิห้าวันวันละหนึ่งพันกหาปณะให้มาดูแลสามีแทนนางจะไปทาบุญใหทานเข้าวัดฟังธรรม นางได้รับกาหาปณะทั้งหลายแล้วต่อมานางได้เชิญนางสิริมาซึ่งเป็นหญิงนครโสเพณีหรือหญิงงามเมืองด้วยกาหาปณะให้มาปรนิบัติสามีนางอุตราได้โอกาสทาบุญนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรับภิกษาในเรือนตลอดกึ่งเดือนนางเที่ยวจัดแจงกิจทุกอย่างในโรงครัวใหญ่ขมุกขมอมไปด้วยเหงือ่อ เประไปด้วยเท่าหม่อมแแมมด้วยฐานและขมเมาครั้นสามีลาเห็นโผล่หน้าต่างออกมาดูแล้วหัวเราะแล้วหลบไปนางสิริมายืนอยู่ในที่ใกล้เห็นกิริยาท่าทางบุตรเศรษฐีลาดูนางอุตรานางเกิดความริษยาหึงหวงด้วยหารู้ตัวไม่ว่านางเป็นเพียงนางบำเรอรับจ้างสําคัญตัวว่าเป็นแม่เจ้าเรือนจึงลงจากประสาท เข้าไปสู่โรงครัวเอาทพีตักน้ำมันเดือดพล่านในกระทะทอดขนมเดินมุ่งไปยังนางอุตราฝ่ายนางอุตราาเห็นนางสิริมานั้นเดินมาจึงแผ่เมตตาไปถึงนางว่านางมีอุปการะคุณแก่ตนที่ทำให้ตนได้มีโอกาสทำบุญถวายทานแด่พระคุณเจ้านี้น้ำมันที่เดือดพล่านที่สาดไปที่กายของนางได้เป็นเหมือนน้ำเย็น ลำดับนั้นคนใช้ของนางอุตราแลเห็นจึงเข้าทําร้ายนางสิริมานางอุตราไม่อาจจะห้ามปรามได้ขณะนั้นนางสิริมารู้สึกตัวหมอบลงแทบเท้าของนางอุตราขอให้นางยกโทษให้ฝ่ายนางอุตรากล่าวว่าดิฉันเป็นทิดามีบิดาถ้าบิดาอดโทษดิฉันก็อดโทษให้ บิดาดิฉันคือพระสัสดาจงไปขออดโทษต่อพระสัสดาเถิดนางสิริมารับคำรับไปสู่เรือนวันรุ่งขึ้นนางสิริมาพร้อมด้วยหญิงบริวารตรัเเรียมพัตนาหารถือสการะมาเรือนของนางอุตรามอบลงแทบเบื้องพระบาทของพระสัสดาขออดโทษที่ล่วงเกินนางอุตรา ทรงหันไปถามนางอุตราว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงหรือนางอุตราทูลตอบว่าเป็นจริงดังนั้นพระสะสดาตรัสถามว่าเมื่อเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรทูลตอบว่าหม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่าจักรวาลยังคับแคบนักโรมะโลกก็ยังตามเกินไปคุณของหญิงสหายนี้เท่านั้นที่ยิ่งใหญ่นัก เพราะอาศัยที่หม่อมชันได้เธอจึงได้โอกาสทำบุญให้ทานและฟังธรรมถ้าหม่อมชันโกรธนางขอน้ำมันที่เดือดพล่านจงลวกหม่อมชันเถิดถ้าหาไม่แล้วขอจงอย่าลวกเลยแล้วได้แผ่เมตตาไปยังนางสิริมานีพระเจ้าค่ะพระสัสดาตรัสว่าดีแล้วอุตราการชนะความโกรธสมควร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 พึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเท็จ ด, ด้วยคำจริงในการจบเทศนานางสิริมาพร้อมด้วยบริวารทั้งห้าร้อยตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิพลดังนี้แหละหมายเหตุ head, ผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่อยากฝากไว้ให้พิจารณานะครับ เรื่องนายปุณณนะที่ได้โอกาสทำบุญใหญ่ผลที่เกิดให้ทั้งคู่ได้สมบัติมหาศาลก็เนื่องด้วยบุญของทั้งสองคนที่มีศรัทธาเสมอกันและได้ทำบุญร่วมกันในระดับเดียวกันผู้ใดทำบุญผู้นั้นย่อมได้รับผลเหมือนคนกินข้าวย่อมอิ่มเองคนอื่นไม่อาจอิ่มแทนได้ครอบครัวจะมีสุขต้องเกิดจากการทำบุญร่วมกันนะครับ ทำบุญมีบุญมีศรัทธาในระดับใกล้เคียงกันหากแม่ทำบุญพอลูกไม่ทำผลบุญนั้นก็อาจยังต้องรอออกผลในอนาคตเพราะคงไม่ยุติธรรมที่บุญที่ทำไว้คนเดียวแต่อีกสองคนที่ไม่มีศรัทธาด้วยไม่ได้ทำด้วยไม่ได้ร่วมอนุโมทนาจะมาได้รับความสุขได้รับอ น, นิสงส์งไปด้วยดังนั้นคู่รักครอบครัวจึงควรหมั่นทำบุญร่วมกันมีศรัทธาไปแนวเดียวกัน มีศีลเสมอกันนะครับซึ่งจําเป็นมากหากคนหนึ่งมีศีลมีศรัทธามีใจเป็นมหาทานแต่อีกคนหรือลูกหลานไม่มีศีลไม่มีใจเสียสละจิตแบบนี้ย่อมเข้ากันไม่ได้ด้วยาธาตุด้วยจริตเหมือนเด็กหลังห้องจะเกลียดเด็กหน้าห้องแบบหาสาเหตุไม่ได้เหมือนพนักงานเลวจะหมั่นไส้พนักงานดีคนดีจะรู้สึกอึดอัดเมื่อเข้าใกล้คนชั่วคนชั่วจะไม่รู้สึกสเสน่หาคนดี เป็นการเข้ากันไม่ได้ของพลังงานที่แผ่ออกมาจากจิตของแต่ละคนนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกหากคนเป็นแม่ทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วจะรู้สึกเข้ากันไม่ได้กับสามีและลูกลูกก็ดื้อไม่เชื่อฟังสำหรับสามีนั้นถ้าคุณธรรมตาำกว่ามากก็ธรรมดาย่อมหอยหาคนในระดับเดียวกันไปเจอคนกิเลสหนาเท่ากันก็รักชอบถูกใจกันโดยง่าย จึงเกิดการนอกใจหลงไหลคนอื่นแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายแฟนของตนได้เรื่องนี้ก็เหมือนที่ผมเคยเขียนบทความไว้ให้เห็นภาพนะครับว่าเฮีย er. ต้องสมสู่กับเฮียเท่านั้นไม่มีทางไปผปสมพันธุ์กับแพนด้าได้การมั่นชวนกันทำความดีสร้างประโยชน์ในวงกว้างจำเป็นมากสำหรับความสุขในครอบครัวทั้งการครองคู่การที่ลูกหลานจะเชื่อฟังอยู่ในโอวาทนะครับ ยังรวมไปถึงผลบุญที่จะออกผลหากคนในครอบครัวไม่มีฐานบุญพอบุญที่ควรจะได้รับผลก็อาจต้องยืดเวลาออกไปรอเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ผลกับคนที่ทำไว้เพียงผู้เดียวเท่านั้นหลายครั้งเลยนะครับที่บุญของเราเองผลักให้เราต้องออกจากคนชั่วเพื่อไปเจอคนที่ดีกว่าท้งออกจากแฟนที่ชั่วเจ้านายที่ชั่วเพื่อนร่วมงานที่ชั่ว หรือต้องให้ย้ายบ้านย้ายออกจากสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับฐานบุญของเรานะครับแต่ใจที่ยึดติดและไม่ยอมจึงต้องทุกข์สาหัสกว่าจะรู้ว่ารู้แบบเนี้ยออกมาตั้งนานแล้วแล้วรู้ว่าจะได้มีสุขในชีวิตที่ดีกว่าก็เสียเวลาไปนานจนต้องขำตัวเองทีหลังว่าเคยโง่งมมกับเรื่องพวกเนี้ยได้ยังไงหลายท่านที่พอมีอายุบ้างก็คงมีประสบการณ์มาบ้างนะครับ ส่วนตัวผู้อ่านเองได้สัมผัสกับเรื่องเหล่านี้เห็นชัดในชาตินี้หลายเรื่องที่ชัดที่สุดก็คือการเสียอะไรไปก็เพื่อได้สิ่งที่ดีกว่ามาเสมอแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีฐานบุญที่มากพอเพียรสร้างความดีต่อเนื่องด้วยนะครับบุญจะส่งสิ่งดีๆมาให้เราเสมอแต่บางครั้งอาจต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดบ้างเหมือนจะพาเอาฟันเสียออกก็ต้องเจ็บก่อนที่จะหายปวดไปตลอดการ ไม่อย่างนั้นก็ต้องทนปวดซ้ำ้างไม่จบสิ้นอีกนานแสนานานนั่นแหละครับการทำบุญนั้นมีหลายด้านวิธีการทำบุญการวางจิตและเมื่อมีชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นการทำบุญร่วมกันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสําคัญมากนะครับแต่หลายคนไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาให้ละเอียดจึงไม่รู้เทคนิควิธีการและการให้ผลของกรรมการให้ผลของบุญ จึงเกิดความคิดที่ว่าทําไมทําดีไม่ได้ดีทําไมทำดีแล้วชีวิตยังลําบากตราบใดที่คุณยังอยู่ในครอบครัวที่มีฐานบุญไม่เสมอกันมีใจมีศรัทธาไม่เท่ากันไม่ร่วมอนุโมทนาในบุญที่คุณทํามันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับที่ผลบุญที่คุณเพียรสร้างในชาตินี้จะปรากฏให้เห็นทันตามาสะสางปัญหาชีวิตและความทุกข์ยากของคุณให้หมดสิ้นไป เ, เร็ววัน แต่บุญไม่ได้ไปไหนนะครับบุญยังรองให้ผลเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อสิ่งแวดล้อมบุคคลรอบข้างและตัวคุณเองมีความเหมาะสมที่จะได้บุญนั้นลองถามใจตัวเองลึกๆนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งทำดีแทบตายแต่คนรอบกายที่ไม่ได้อนุโมทนาด้วยไม่ได้อยากทำด้วยจะได้ผลเป็นความสุขมหาศาลไปด้วยนั้นมันยุติธรรมหรือไม่ จึงขอฝากให้เป็นข้อคิดไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์ของทุกท่านต่อไปนะครับ